มหาศีหนาทสูตรผู้ประพฤติธธ ร, รมด้วยกายวาจาใจพึงหวังว่าตนอาจเข้าถึงได้ทั้งความเป็นพวกกษัตริย์เศรษฐีเทวดาระดับต่างๆที่ยังคล้องอยู่ในกามต่อไปจนถึงเทวดาระดับพรหมมีรูปกายที่ปราศจากกามและพรหมไร้รูปกายที่มีแต่จิต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 ถ้าใครยังไม่เคยเห็นเทวดาชั้นดาวดึงก็จงดูเหล่าเจ้าลิชวีที่กำลังดำเนินมานี้เป็นตัวอย่างเถิดข้อความจากพระวินัยปิฎกมหาวักภาคสองเรื่องเจ้าลิชวีชาวพระนครเวสาลีคําให้การของเทวดาข้าพเจ้ามีนามว่าชนะวสภะอดีตคือพระเจ้าพิมพิสารมาบัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าเข้าถึงความเป็นสหายของท้าวเวสสุวรรณมหาราชข้อความจากชนะวสภสูตรดิฉันเคยอยู่ในหมู่บ้านชื่อนากะคามนามว่าเซสวดีเป็นผู้มีใจชื่นบานได้ก่อสร้างกุศลกรรมไว้คือได้บูชาพระธาตุของพระธรรมเสนาบดีนามว่าอุปติศักด์ อันเป็นที่บูชาของทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระอรหันต์ผู้นิพพานแล้วเหลือเพียงอัธิธาต์ไว้ให้ดิฉันบูชาด้วยเครื่องสักการะหลายอย่างล้วนแต่รัตนะและทองคำครั้งดิฉันละกายมนุษย์นั้นแล้วได้มาเกิดในดาวดึงสวรรค์ชัน้นไตรทศอยู่ประจำวิมานในเทวโลกอันน่ารื่นรมเกิดขึ้นด้วยบุญมุงและบังด้วยขายแก้วผลึกขายเงินและขายทองคา ทั่วบริเวณเต็มไปด้วยต้นไม้มีผลวิจิตน า, นานาพันธุ์เป็นระเบียบ ม, มีซุ้มประตูแล้วด้วยแก้วเจ็ดประการมีลานวิมานเรียรายไปด้วยทายทองมีรัสมีส่องสว่างไปทั่วทุบทิศไม่ต่างจากรัสมีแห่งพระอาทิตย์ประมาณพันหรือคล้ายกับการลืมตาขึ้นขณะฟ้าแลบหรือเหมือนกับแสงเปลวเพลิงซึ่งกำลังลุกอยู่บนยอดเขาในเวลากลางคืนวิมานนี้ลอยอยู่ในอากาศ กล้องกังวานไปด้วยเสียงดนตรีอันได้แก่ผินเครื่องใหญ่กลองและกังสดานประโคมอยู่ไม่ได้ขาดระยะอีกทั้งอย่างฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมล้ำหลากหลายแต่แก่กลิ่นของดอกปทุมดอกโกมุดดอกอุบลดอกจงกลนีดอกขัดเขาดอกพุทซ้อนดอกกุหลาบดอกอังกาบดอกรังดอกอโศกต่างก็ย้มกลิ่นทรงกลิ่นระรื่น อีกทั้งยังตั้งอยู่ริมฝั่งสัโบก ค, ครณีอันชวนทัศนาเปลี่ยงรายไปด้วยไม้หูกวางขนุนสัมรอกับทั้งไม้เลื้อชูดอกออกช่อหอมเร่อรื่นห้อยย้อยเกาะกายลงมาจากปลายใบต้นตาลและมะพร้าวคล้ายกับไข่แก้วมณีและแก้วประพนันอันหนึ่งต้นไม้และดอกไม้ผลทั้งหลายซึ่งเกิดอยู่ทั้งในน้าและบนบกเป็นลุก ข, ขชาติเห็นได้ในเมืองมนุษย์ และไม่มีให้เห็นในเมืองมนุษย์ตลอดจนพันไม้ทิพย์ประจำเมืองสวรรค์ก็มีพร้อมอยู่ใกล้วิมานข้อความจากเซสวดีวิมานมุมมองอันควรได้จากพุทธพ์ธและคาให้การของเทวดานางฟ้า เมื่อพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทวภูเหมือนปราสาสก็แปลว่าเป็นที่พักกลางทางกันดาลอย่างสมบูรณ์คือกันแดดกันฝนได้เด็ดขาดพักผ่อนและหายเหนื่อยหายเพลียจะช่วยไม่ได้อย่างเดียวก็คือความหิวกระหายเพราะคนเรากินอิด ก, กินปูนไม่ได้หากคุณเคยไปเที่ยวชมทิวทัศน์สวยๆที่น่าตื่นตาตื่นใจมาม า, มาก ก็คงทราบในบัดนี้แล้วที่อุทานกันว่าสวยเหมือนสวรรค์นั้นแท้จริงแค่ทําให้คุณนึกถึงสวรรค์หรือชวนฝันเกี่ยวกับสวรรค์เท่านั้นสวรรค์ของจริงเป็นคนละเรื่องทุกอย่างเป็นทิพย์ไปหมดรุงรูดช่วช่วงตราการนิรัศมีทิพย์ไปหมดอะไรอะไรสว่างละ อ, อตาในตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งแสงอาทิตย์เลยอย่างไรก็ตาม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 และยิงต่างเป็นคนละโลกกับกายสัตว์นรกอันควรสังเวทเพราะนั้นถูกตกแต่งด้วยบาปแต่ถ่ายเดียวไม่มีบุญเจือและเหตุที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมทางใจอันเป็นต้นทางไปสู่สวรรค์ได้ทุกชั้นคือเห็นชอบตามจริงว่าผู้รู้ดีต้องมีอยู่ก็เพราะความเชื่อเช่นนั้นนำไปสู่ศรัทธาในการสแสวงหาหรือรอคอย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 ลวนแล้วแต่เป็นเครื่องหมายบอกว่าคุณกำลังจะไปดีและการไปดีก็ปรากฏชัดกับใจคุณจะไม่ใช่สักแต่เป็นคำร้ายความหมายอีกแล้วคุณบอกตัวเองได้ทีเดียวว่าต่อให้มีโอกาสย้ายบ้านใหม่ไปอยู่ในย่านข้ารือหดร้อยล้าน <c oughs> ก็จะไม่ให้ความรู้สึกแสนดีเท <c oughs> ่าตอนใกล้ตายไปสู่สวรรค์เลยสักเสี้ยวเดียว สภาพแวดล้อมของเทวดาเทวดามีความเป็นอยู่ในทางเสพสุบจากกามคุณห้าเหมือนมนุษย์คือเห็นรูปอันยวนตาได้ยินเสียงอันรื่นหูสูดกลิ่นหอมอันเร้าใจลิ้มรสอร่อยชวนน้ำลายไหลและแตะต้องเครื่องกระทบอันมีสัมผัสและเมียดชวนพิษสมัยจะต่างกันก็คือกามคุณห้าของเทวดานั้นเป็นทิพย์ไร้มนทิน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 แต่ถ้ามนุษย์ผู้มีฤทธิ์ขึ้นไปคุยกับเทพบางองค์ท่านก็อาจใช้ชื่อเดิมอย่างนางเสศวดีนั้นเมื่อพระวังคีศักด์ไปเยี่ยมวิมานนางก็ไม่ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อแต่อย่างใดจึงทำให้วิมานของนางกลายเป็นตํานานเล่าขานภายใต้ชื่อเสศวดีวิมานนั่นเองบารมีของถวยเทพวัดกันด้วยหลายสิ่ง อย่างเช่นจํานวนบริวารก็นับแข่งกันบริวารจะเป็นหนึ่งในตัวชี้ว่าบุญที่เคยทำมีความไพศาลเพียงใดบริวารของเทพก็คือเทพที่มีบุญต่ํากว่าไม่มีวิมานครองต้องอาศัยวิมานของเทพ อ, อื่นผุดเกิดเมื่อวิมานเทพผู้เป็นนายหายไปตนก็ต้องหายตาม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 ต่างฝ่ายต่างมีวิมานด้วยกันทั้งคู่แต่หากเป็นเทวดานางฟ้ามาผุดเกิดขอพึ่งบารมีในวิมานใครเจ้าของวิมานก็อยู่ในฐานะนายร่วมอภิรมด้วยได้โดยไม่ถือว่าเป็นคู่ครองขอให้เข้าใจว่าเทวภูมินี้เหมารวมไปถึงพรมภูมิที่มีรูปและไม่มีรูปด้วยการจะเป็นพระพรมได้ ต้องมีจิตใหญ่คือยิ่งใหญ่ด้วยเมตตายิ่งใหญ่ด้วยกรุณายิ่งใหญ่ด้วยมุทิตาและยิ่งใหญ่ด้วยอุเบกขากับทั้งแห้งสะอาด จ, จากกามคุณเป็นผู้ตายจากโลกมนุษย์ขณะจิตอยู่ในฌานสมาธิใครแผ่จิตเป็นมหาคตะได้กว้างกว่าก็มีรัศมียิ่งใหญ่กว่าเหล่าเทวดาจะปลื้มกับบุญของมนุษย์ชั้นสูง และเหล่าญาติที่ทำคุณงามความดีแต่จะไม่ถึงขนาดดีอกดีใจเมื่อญาติอุทิศส่วนกุศลก้อนเล็กๆมาให้ตนเหมือนกับที่ไม่มีเศรษฐีหน้าไหนปลาบปลืปล้มกับการมีขอทานนำเงินร้อยบาทมาให้ตนคุณต้องทำบุญอย่างใหญ่จริงๆท่านถึงจะชื่นชมโสมนัสปล่อยอนุโมทนาขนาดมีผลเปลี่ยนแปลงในทางทิพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง